ที่เราได้สวดอริยทัพย์ก็ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นตรงหรือความเห็นธรรมความเห็นตรงนี้บางทีก็เรียกว่าสมมติทิฏบางทีก็เรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมหมายความว่ายังไงบ้างความเห็นตรงอย่างหนึ่งก็คือว่าความเชื่อหรือความเข้าใจในเรื่องกรรม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 ตั้งข้อสงสัยว่ายังไงเพราก็ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมคนดีๆถึงตายเร็วแต่คนชั่วจำนว น, นมากถึงอายุยืนทําไมคนที่ทําความดีซ้ำสร้างกุศลถึงยากจนแต่ว่าคนโกงกินบ้านเมืองมันถึงร่ํำรวยกันนักก็จะมีคําถามคํามนองนี้มาอยู่เรื่อยๆทําไมคนดีถึงถูกฆ่าตายแต่ว่าคนชั่ว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 สรุปอย่างสั้นๆก็อย่างนั้นซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคำนี้ก็มีอยู่มาอยู่ในพุทธศรราสนาสุภารรษิตอยู่แล้วบางทีเราก็สวดกันในเวลาทำวัดช้าวัดเย็นอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนี้ข้อความนี้ไม่ได้มาโดดๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่มันมีข้อความก่อนนั้นๆซึ่งน่าพิจารณาก็คือท่านบอกว่าวานพืชอย่างใดก็ได้ผลเช่นนั้น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 เงื่อนไขเหตุปัจจัยทางสังคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ตายตัวเป็นสากลเราเรียกว่าผีชะนิยามผีชิก็คือชีวิตนั่นเองคือกฎเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหลดต้องการสืบพันธ์กฎแห่งกรรมก็เหมือนกันนะเรียกว่ากรรมนิยามก็คือเป็นกฎธรรมชาติการที่คนเราทาดีแล้ว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 การที่คนเราจะขับรถปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าทําบุญหรือไม่ได้ทำบุญแต่มันอยู่ที่ว่าขับยังมีสะติหรือเปล่าด้วยแล้วมันขึ้นอยู่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าขับยังมีสะตะไิไ้มในฝ่ายหนึ่งขับรถด้วยความเมาไมยหรือว่าถนนไม่ดีมันก็เกิดอุ บ, บัติเหตุแต่ถึงแม้จะไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกเลยไม่ต้องพูดเรื่องสภาพถนนไม่ต้องพูดเรืงว่าคนทนี่ขับรถเป็นยังไง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 กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะด้วยนะมันเป็นคนละส่วนกันเพราะนั้นทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วเนี่ยมันหมายความว่าทําดีก็ต้องทําดีอย่างถูกต้องด้วยทํำดีอย่างถูกต้องถูกกรณีจะไปเหมาว่าเมื่อทําความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตทาบุญแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่ประสบอุบัติเหตุอันนั้นมันไม่ใช่แต่เวลานี้เราเวลาเรามองกฎแห่งกรรมเนี่ยเราเราก็มองเหมารวมว่า ทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องมีอายุยืนอันนั้นมันไม่ใช่มันก็ไม่ตายเอยาปลูกข้าวแล้วต้องรวยปลูกมะม่วงต้องรวยนะถ้าปลูกอย่างอื่นเพราะจนปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงนี่กฎธรรมชาติเขาว่าไว้เท่านี้ทำดีก็ได้ดีกฎธรรมชาติว่าวเท่านี้ไม่ได้แปลต่อไปว่าทำดีแล้วต้องรวยเหมือนกับว่ารวยกับดีเ ป, เป็นเรื่องเดียวกันมันไม่เกี่ยวกั น, นถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะ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 ไอ้โทษที่เขาทำหรือว่าความผิดที่เขาทำแต่ว่าไม่ไม่ทำให้ติดคุกเนี่ยมันมีหรือเปล่าอาจารย์พรหมท่านเคยเล่าอาจารย์พรหมวังสวไปเทศให้นักโทษในประเทศอสอสเตรเลียก็ไปสอนสมาธิก็มีคนหนึ่งนี่ก็มานั่งสมาธิเป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งก็ขอคุยกับอาจารย์พรหมก็อบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไอ้โทษที่ผมติดนี่นะผมไม่ได้ทาเลยนะ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 ความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันนี้ก็อาศัยหลักหรือกฎปฏิจจสมุปบาทมาเป็นพื้นฐานให้เกิดหลักสติปัฏฐานขึ้นมาฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์ซึ่งต้องมาวางมาวางเป็นกฎเกณฑ์มาวางเป็นแบบแผนนะขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เราเจริญก้าวหน้าให้ความเป็นธรรมเนี่ยหรือความพิธารณ์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเรื่องของจริยธรรม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 อย่างเนี่ยเราสมมติเร า, เรากดธรรมชาติข้อหนึ่งคือกดว่าโรคระบาดเกิดจากการมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกฎนี้ก็ไปเข้าใจว่าโรคระบาดเช่นหาอหิวาเนี่ยมันเกิดจากอำนาจลี้ลับเกิดจากสภาพอากาศนะร้อนหนาวชืน้นนะแต่ว่ามนุษย์เราเมื่อพัฒนาความรู้มากขึ้นก็บพบว่าโรคระบาดมันเกิดจากเชื้อโรค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 เพราะฉะนั้นแทนที่จะมโวยวายว่ากดนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุตมอันนี้ไม่ประโยชน์ต้องมาช่วยกันป้องกันไม่ให้โลกนี้มาระบาดต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการเตื่นยุงลายขึ้นมาหรือว่าต้องมาช่วยกันพัฒนายาเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียหรือรักษาโรคมาลาเรียแล่นมันต้องมาต้องมาทํากันตรงนี้เวลานี้เราไปยูคปัจจุบันนี้เราไปพูดเรื่องความเป็นธรรมซะเยอะไม่เป็นธรรมเลยที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้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 กฎในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีนอกจากกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามแล้วมันมีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรละผีชนิยามอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้แล้วก็อุตุนิยามตัวุนิยามคือกฎเกี่ยวกับอากาศซึ่งเอไออะไรจะบอกว่าคนเป็นอย่างนี้เพราะกฎแห่งกรรมหรือเพราะการกระทำนี่ไม่ได้เช่นเวลาเหงื่อออกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือเป็นเพราะว่าใจเนี่ยตื่นกลัวถ้าใจกลัวเนี่ยมันก็เหงื่อออกได้นะ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 การได้รับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกมากเกินไปนานๆยกตัวอย่างเช่นเวลานี้เขาบอกว่าทูบเนี่ยทูบที่จุดเนี่ยมันมีสายก่อบมะเร็งเยอะมากจุดทูบสามดอกนี้เท่ากับได้รับมลพิษเนี่ยพอๆกับอยู่ที่ศีแยกที่มีการจราจรคับขั่งตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะทําดีแต่ว่าดมทูบทุกวนันทุกวนันทุกวนันว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับกา ร, กรทำไม่เกี่ยวกับกรรมแล้ว